ประชาธิปไตยในทศนัของพระสมัยปัจจุบันใครเป็นรัฐบาลขึ้นมาตกเป็นจำเลยของประชาชนพ่อแม่ตกเป็นจำเลยของลูกครูบาอาจารย์ตกเป็นจำเลยของลูกศิษย์ลูกหาประเดี๋ยวมันก็แขวะอย่างนั้นแขวะอย่างนี้ดีไม่ดีมันไม่ชอบขี้หน้าเรามันเดินขบวนขับไล่ ประชาธิปไตยของเมืองไทยทุกวันเนี่ยคือเผด็จการหมู่เมื่อฉันไม่ชอบขี้หน้าใครฉันรวมหัวเดินขบวนขับไล่เวลาค้าโกรธมาบ้านเมืองค้าก็เผาววดวายในเมื่อเรามาพิจารณาดูแล้วมันก็คือเผด็จการหมู่ตลักประชาธิปไตยของพระไม่ใช่อย่างนั้น ให้ลองฟังประชาธิปไตยของพระดูบางทีมันอาจจะแปลกกว่าประชาธิปไตยของพวกท่านประชาธิปไตยของพระเนี่ยจุดเริ่มเฉพาะนักศึกษาเวลานี้พ่อแม่ส่งมาเรียนให้เรียนตั้งใจเรียนให้จบหน้าที่ของเรามีแค่นั้นเมื่อเรียนจบแล้วไปหางานทำพอมีงานทำได้เงินเดือนให้ถามคุณพ่อคุณแม่ก่อนคุณพ่อคุณแม่ครับ คุณพ่อคุณแม่ขาเอาที่ดินแปลงใดบ้านหลังไหนไปจำนองจำนำเอาเงินมาส่งพวกเราเรียนของใครไม่มีก็แล้วไปแต่ถ้าของใครมีรีบเก็บเงินทองไถ่ถอนทรัพย์สมบัติคืนให้พ่อแม่ให้หมดหลังจากนั้นเก็บหอมรอมริบเพื่อสร้างเนื้อสร้างตัวเองเพราะอนาคตเราจะต้องมีครอบครัวมีทายาทเตรียมไว้ให้มันพร้อมให้มีที่ดินเป็นของของตน มีบ้านเป็นของของตนมีรถยนต์เป็นของของตนมีรายได้เลี้ยงตนและครอบครัวอย่างสบายถ้าหากเราสามารถทาธุรกิจใหญ่โตได้รัฐบาลได้เก็บภาษีเมื่อเรามั่งคั่งสมบูรณ์ช่วยตัวเองได้หลายคนเข้าหลายครอบครัวเราก็เป็นใหญ่อธิปไตยแปลว่าผู้เป็นใหญ่ เป็นใหญ่โดยไม่ต้องหลบหน้าเจ้านี่ไม่เป็นนี่เป็นศิน์ใครช่วยตัวเองได้ทุกวิถีทางเราก็เป็นใหญ่เป็นอธิปปย์ปไตหลายคนรวมกันเข้าเป็นหมูเรียกว่าปรชาปรชาแปลว่าหมูพวกอธิปไตแปลว่าผู้เป็นใหญ่ยิ่งทีนี้เมื่อหลายคนมารวมกันเข้าเป็นกลุ่มคนที่เป็นใหญ่ ก็เป็นประชาธิปไตยเป็นครอบครัวก็ครอบครัวประชาธิปไตยเป็นหมู่บ้านก็หมู่บ้านประชาธิปไตยเป็นตำบลก็ตำบลประชาธิปไตยเป็นอำเภอจังหวัดประเทศก็เป็นประเทศประชาธิปไตยเพราะมีแต่ประชาชนมั่งคั่งสมบูรณ์เวลานี้ราษฎรยังตั้งให้รัฐบาลเป็นเทวดาอยู่ น้ำไม่มีก็ร้องเทวดาไฟไม่มีก็ร้องเทวดายังกับว่ารัฐบาลเป็นเทวดาผู้ดลบันดาลให้ทุกสิ่งทุกอย่างรัฐบาลก็เก็บภาษีจากรัษฎรมาบำรุงประเทศชาติเมื่อรัษดรมีไรายได้ดีรัฐบาลเก็บภาษีได้มากบ้านเมืองก็เจริญเรามีหลักมีฐานมั่นคงมีธุรกิจมั่งคั่งรัฐบาลก็ได้เก็บภาษีจากเรามาก รัฐบาลก็มีรายได้ท่านก็สามารถจะเนรมิตอะไรให้เราอันนี้เรามีแต่ความยากความจนรัฐบาลจะไปเก็บภาษีก็ไม่มีทางมีแต่จะแบมือขอรัฐบาลฝนไม่ตกก็ร้องรัฐบาล